แรงแต่คัามหัวนี้สัมผัสแรงแรเอากําปั้นเข้าไปสัมผัสตลายทางให้นอนหงายไปเลยอย่างนี้ไปต้นท่านบอเวทนาก็ไม่ใช่เวทนาสุขต้องการให้เขาถึงอาการปางตายนู่นแหละไม่ตายก็ค้างเหลือนู่นหลยสัมผัสอะดูสิถ้าไม่นะั้นถ้าไม่ได้สัมผัสก็ให้หายกันไปไกลเลยห่างกันคนละฝากภูเขาเลยอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูปัญยาการเขาว่ายิ่งนิสัมผัสอยู่นะ วิชาเป็นปัจจัยมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยมีสลายกัตนะสลายกัตนะเป็นปัจจัยมีธาตุดูสินามรูปหมายถืออะไรนามรูปก็นามร้อเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่มันมีรูปอยู่รูปของนามนี่เราจับไม่ได้นามรูปอ่ะในปัจจยาการอ๋อนามนี่ทําไมมันทําไมสงสัยฉงนเหลือเกินนามรูปอันนี้เราฝึกกรรมฐานใหม่ๆเขาเรียกรูปนาม ไอ้นั่งทนโทษอยู่เนี่ยเรามองเห็นกันอยู่นี่เราเห็นส่วนที่หยาบหยาดเนี่ยอืขันหันมันก็เอาไอ้นี่ขึ้นต้นถ้าใครเคยศึกษากรรมฐานจากสำนักอื่นที่เขาให้ท่องอวิปัสสนาภูมิขันหันอายตนะสิบสองท่าสิบแปดท่าคนได้ขันหันมันก็รู้จักรูก้เพราะว่าเรามองเห็นกันเราเห็นส่วนที่เป็นตัวตวสนสกุลรกายเห็นส่วนที่หยากหยาด คนไหนนั่งอยู่ไหนเห็นกันเนี่ยลูกส่วนหน้ามีก็อนั่นแหละคนเป็นๆมันต้องมีนามคนหายใจอยู่เนี่ยเพราะว่ากายกับใจมันไม่ห่างกันสักทีมันอยู่ด้วย ก, กันมันไสด้วย ก, กันกายกับใจนี่มันรวมกันเพราะฉะนั้นกายก็เป็นส่วนใหญ่ๆใจก็เป็นส่วนละเอียดละเอียดเราเรียกสองส่วนว่ า, าลูกเรียกอีกส่วนนึ่งว่านามนี่เป็นดว แต่ ว, ว่าใ น, นปัญญาการไม่มีนามาลูกเแล้่ที่เนี่ยเราฝึกกรรมฐานถ้าเข้าใจเรื่องกิจการนัฒนาเราเห็นอารมณ์นี่เราเห็นนามารูกอารมณ์มันมีรูปมันมีรูปนะถ้าอารมณ์ไม่มีรูปเราจะจัดมวลมูมันไม่ได้เลยสงฆ์ะขาอารมณ์อย่างนั้นเข้ามาอยู่ในหมูมเห็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้อย่างเราไปเห็นหมาตายหมาเน่าอ๋อมันเป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายของความโปวดเป็นอารมณ์ผักดันเราเราไม่ชอบที่หน้าคนหนึ่นก็ปฏิบัติ เหมือนกันกับปฏิบัติต่อม้าตายมาเน่าคืออยากอยากทําลายเหมือนกันอยากไปเสียให้คนเหมือนกันอยากดีเป็นอหางเหมือนกันไม่อยากจะอยู่ยินฉันร่วงไม่อยากจะคบค้าสมาคมไม่อยากจะไปเยี่ยมยามถามถึงมันเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติต่อคนที่เป็นศัตรูขั้วเรียเราปฏิบัติต่อม้าตายมาเน่าเหมือนกันอ๋อมันเป็นอ๋อมันลูกเดียวกันถึงนามประเภทที่ เอาจับไม่ได้มันไม่มีรูปคนทุกคนมีความปวดแต่เราก็ไม่เห็นความปวดของคนอื่นเราเห็นเฉพาะของเราที่ยเราอยากจะเห็นความปวดของคนอื่นเราขอปรังให้เขาอธิบายเวลาท่านปวดมันเป็นอย่างไรล่ะนี่เราไม่เห็นความปวดของเขาเขาก็อธิบายว่ามันกระบืกก้องกระวาดปวดขึ้นมาแล้วมันอยากกันตาให้สาสมกับความเจยบแสบหรือไม่งั้นมันก็อยากจะเข้าไปฆ่าดีมีมวยอย่างจะขึ้นสองของเขา มันก็อาจจะอ๋อมันเหมือนกันนี่มันอ๋มันรูปนี่เองมันรูปนี่แน่ดูที่นามจริงๆก็มีรูปนะถ้าไม่งั้นเราจะจัดมวลหมู่ของอารมณ์ไม่ได้เลยนะมันมีรูปแต่รูปของอารมณ์นี่มันตาเนื้อมองไม่เห็นมันเห็นด้วยตาปัญญาตาปัญญาจริงเป็นตารอดอาหารในกระเพาะมันเหือดแห้งก็ยังไปธาตุมันย่อยหมดก็ยังนามมันเห็นกันนะจินี่เห็นนะ ถ้าเมื่อใดท่องมันจี๊ยเบเจี๊ยบเจ้าแบเจีมีอาการหิวข้าวมีอาการกระหายน้ําสติมันรู้สึกตวงอกอ๋อนี้มันท้องมันลําบาททกเพราะแต่พรามันหมดอาหารแล้วไปหาอาหารมาให้มันกินแค่นหน่อยแต่ถ้ามันไปหิวข้าวเวลาบ่ายนี่ปัญญากรก็บอกเออหนี่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผู้ถือสิน อ, อุโบสถหรือนักอ่าพจนบวชทั้งหลายนี่ไปฉันข้าวเวลาบ่ายไม่ได้ไปาารับประทานอาหารเวลาบ่ายไม่ได้เยี่ยมันผิด โรคเขาเจตันนี่เอาโรคเขาจะว่าเอาเราต้องฉันสิ่ขาได้ทําแทนเรานี่เป็นพระบวชเรานี้เป็นผู้เสียสินจะต้องกินสิ่ขาเหมือนกันนัอย่าเข้าใจว่าเรากินอาหารอย่างดีเนอะอาหารที่เรากินมันต้องสอดจเข้าปากมันต้องเชี่ยวด้วยกันล่างกันบนนี่บทให้ละเอียดไปเลยอาหารนี่นี่อาหารกายมันก็เอียดนั้นส่วนอาหารใจนี่มันมันเป็นอารมณ์หรืออาหารใจนี่มันเป็นสี่ขาสาม เราเกี่ยสืตรว่าติผู้นางติฆ่าสร้ายชีวธรรมะนาถึงความดื่มสิขาแล้วทำเพลนเพลินเลี้ยงชีวิตือูี่ถ้าพระสงฆ์ใช้เน้ไม่กินสิขาแล้วมีโยมที่ไหนจะมาให้ข้าวปลาอาหารถ้าไม่กินสิขาแล้วทําแน่จะประพฤติสัมมาเรชเมาไปต่างๆนานา่นแหละแต่นี่พระสงฆ์ใช้เน้นต้องกินสิขาแล้วทำกางกินสิขานี่ไม่ได้ต้องตัดไส้ถ้วยใส่ภาชนะกินสิขาคือถ้าเราอดใครนี่เราอดขันติประมังตะโพจีสิขาขันทีเครื่องกดขันนี่กินสิขาแล้วคนที่ที่ปฏิบัติ จนเขาเรียบร้อยถ้าเขาไม่กินสีขามันเรียดร้อยได้เมื่อไหร่มันจะต้องไปตีเขาเชือกต่อยรับโฉมพ่นขี้ตีค่าเอาเบียรออะสังคมนั่นเขาไม่กินสิขาแต่ที่กินสีขาอยู่นี่ก็มีญาติโยมชาวบ้านมาสนับสนุนมาสุ่มเพนกลางหันนั่นแหละเพราะว่าพวกกินสีขานี่เหมือนกันถ้าเวลาไายเราอ่าหิวข้าวกรไหายหรือไปอยากจะกินอะไรต่างๆที่มันผิดต่อกฎระเบียบของผู้ถือสิทของนัก บ, บวชอย่างนี้เราก็เออร่างกายจะมา ออยากอาหารเวลาบ่ายมันก็ผิดผิดหลักผิดกฎเกนของผู้ถือสินเจ้าอดไปเถอะกินสิข่ายจะทําแทนเอออาหารขายมาสองเวลาก็พอมันเหมือนนั่งมันหยอดเผาเจียนนั่นแหละนักปฏิบัติต้องไป็อย่างนั้นอย่าไปกินมากกินมากมันจะทําให้เกิดทุกขเวทนาจใจใหม่ขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งถ้าไม่ทุกขเวทานาใาใหม่ไปกินกินเวลาถึงมันจะ อ, อร่อยท้องไม่อืดอัดยิ่งใหญ่ โลกเขาเจตนิทามันก็เป็นทุกขเวทนาสายใหม่เพราะว่าโลกเขาเพียงแค่อามองมานี่มันก็โทษทัดเหมือนกันนะอยู่ในเทศไม่ได้ถ้าโลกเขาตำหนิเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าโลกเขามันมันทุกข์หลายอย่างเหมือนกันนะกินข้าวเอ่อมันกินพอดีพอดีกับความหิวแต่ยังมีโทษอยู่ถ้าโลกเขามาเห็นเขาก็ว่าเกิดโทษเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมันต้องมีหน้ารอด หน้าคือสติเนี่ยพระรีเขาจึงบอกว่าพระรีมิ่งขังสติบัณฑิตชาวเขาไปตั้งสติไว้มีหน้ารอดมันจะทำอะไรต่ออะไรมันยิงขี่ทั่วพวกฝึกสติเนี่ยสติมันมีหน้ารอดจริงๆนา่นน่ะเรามาฝึกกรรมฐานมาฝึกสติใทยทำอะไรจะยกไม้ยกมือตร้างจังหวะก็ฝึกสติอย่ายกปเปล่าวถ้าไครยกหรือนี่ขยันยกขยันเดินโจกมในสายตาคนอื่นเขาก็มองเห็นแล้วว่าเราขยัน แต่ภายในของเราจริงๆนี่แล่เหยเล่ร่อนจิตใจของเราไปทางอื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนฟังเทศฟังธรรมเนี่ยไม่คิอว่าเป็นสุดสูสังเป็นเป็นไม่นับว่าเป็นสุดสูสังถ้าสุสูสังนี่เขาว่าความด้วยดีจึงเกิดปัญญาแหะถ้าจิตของเราแลเหยเล่ร่อนไปทางอื่นที่อย่างว่าหูังารรมนั่นใจไปเล่ร่อยแต่ว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้เลยโยโก้เมื่อกันท่าจิตใจของเรามันวิ่งว่อนไปทางอื่นปกติของคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจิตใจ บดีขอกรว่าพลั น, นางานจะพำลังจิตตั้งจิตเนี่ยมันเรนิ่มปัดแกงธุรกรรมทณิตวิทาขยันผมยากข้ามยากเะว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นใจิตใจของเรานี่ ม, นมันมันมันไม่มีตัวมันไม่มีตนอาจารย์มหาก็ยังบอกว่าพูดกับดีเรกไวานั่นอ้าเหมือนตุ่มนั่นแหละตุงมแมงใบไหนตั้งตรงรับน้ํามันหยดจากอาชายคาบ้านมันก็เย็มง่าย แต่ตุ่มไปไหนมันก็นแหลมมันอยู่ในลักษณะนอนมันตั้งไม่ได้ต้องหาไม้มาดาันถ้าตุ่มก้นแหลมแหลมมันตั้งไม่ได้ต้องเอาไม้มาปาดหลอดหลอดมันให้มันหนาบมันไวให้มันอยู่ในลักษณะโตงคล้ายๆแต่ว่าลาาักษณะ อ, อกายของเราเนี่ยจิตมันจิตนี่อุปมาเหมือนตุ่มก้นแหลมแหลมมันจะอยู่นิ่งไม่ได้มันกิ่งไปนั่นมันกิ่งไปนี่ง่ายๆ ถ้าเป็นน้ําก็อุปมาเหมือนน้ำบนใบบัวมันจะหล่นไปง่ายๆอันนี้มันไม่อยู่เฉยๆเราเลยหาเครื่องหมายมาให้มันเล่นให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวโดยการสร้างจังหวะนี่ลักษณะกินจะเอาเชือกผูกก็ผูกไม่ได้เพราะมันมันเป็นน้าเนี่ยผูกยันไร้หลักผูกเลยเอาเครื่องรอกคล้ายๆกับบ้านเด็กเนี่ยโอ้ยลูกของสูดมันไม่อยู่แล้วผูกเอาไม่ไว้มันขาดเชืเตรียมมันจะตกบ้านหาตุ๊กตาตัวสวยๆมาให้มันเล่นหน่อยหา ผลให้ในตู้โทว์มาให้มันเล่นหน่อยฮะอะไรมาให้มันเล่นมันก็ได้เคพื่อนเลนมันก็ทุกฟักทุกปักอย่างนั้นไหมไม่รบกวนย่ใยายก็ไม่ลําบากแต่ถ้ามันมีเพื่อนว่ามันจะขาดไหม่ะไปนี่มันจะโตบา้านเอาให้ได้จริงเราเล่นกับเด็กเราก็ฉลาดในฐานะที่โยมพุทธคุณใหญ่เคยเล่นมานานมีลูกมีหลานอันนี้พวกข้าไม่ไม่มีลูกมีหลานต้องเล่นกับติดกับใจเอาใจมันมันจะรนมันจะนี้จะอที่นี่ เราให้มันอยู่กับฐานมันที่ฐานไปเรื่อนเอาค้านคือเกล็ดไม้มันจะน้อยเอาไห้มันยกมายกมือตลอดยกมือขึ้นเอามือลงยกมือไปเอามือมัดนี่เป็นเรื่องก็อดนี่ถ้าถ้าสมมติมันแแหลมเนี่ยถุงมันก็แแหลมมันก้านมันอยู่เอาไม้มันปักคันนั่นนี่ดาวให้มันตั้งตรงๆรับน้ำฟ้าหนาฝนได้นี่เหมือนกันนั่นแหละถ้าสายตาของเราเนี่ลองดูสิถ้าเราไม่มีเกล็ดไม้ไอ้ผู้เลื่อสายตาเนี่ยสมมว่าตรงนี้ น้ำมันไหลเกี่ยวค่ะในระหว่างกู้โดียวก็หันหน้ามาทางนี้ระหว่างกู้สูงก็หันนาไปทานี้ไหลระบวางเดียนเนี่ยน้ำไหลเกี่ยวตรงหน้าของใครก็ปักสายตาตรงนั้นอย่าเอาสายตาหันเหี่บไปท่าอื่นมันคงเป็นไปยากถ้าเราไม่มีเครื่องหมายมันทีน้ำมันไหลบนเป็นเกลียวมาเราอาจจะรู้เกลียวหน้าที่มันไหลเดียนโอ้มันจะมีเกลียวมัน มันหนูแหมันเอาขยะเอาอะไรลิบเข้าไปเลยมันเป็นเร็วล้วก็อยากจะตามเลยหนีจากที่มไปอยู่ที่บางทีท่อนซุงมันมามีกฎมีเขียนไว้อยู่ท่านทรงมีหนูมันถูกน้ําสะแล้วมันไปที่ไหนไม่ได้มันนั่งขอนมาเราก็ดูทําให้ตาของเราขยับไปเลื่อนหนีจากที่ที่เราจะต้องปักการูเพราะฉะนั้นเราปักการู้ การลำห้วยที ups, cool ่มีน้ำไหลเชี่ยวโดยไม่มีเครื่องหมายมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ดีมันควรจะมีรลำไัยลําหนึ่งกินงัยกินมาป่าตรงนี้น้ําที่ไหลผ่านนั้นอาจจะตีกิ้งไผ่ให้ยืนี่นี่นี่นี่อยู่นี่ก็ได้เราอาจจะดูเดี๋ยวดูแต่จินงไผ่แห่งเดียวจะเป็นผ่านซุ้มไหลมาก็ไม่สนใจจะเป็นน้าเกลียวไหลวนไหลมาก็ไม่สนใจเราจะดูจิ้งไผ่อย่างเดียวอันนี้เมื่อกันลักษณะผูกจินที่ไม่มีจิตจินไม่มีเชื่อกมีข่าวจะผูกได้มันเป็นน้ำเราก็ อาศัยกดไปอาศัยการเคลื่อนการไหวที่มีอยู่เนี่ยพวกที่เมื่อก่อนนี่พวกสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกสังเกตปลายจมูกว่าลมมันสัมผัสที่ปลายจมูกสังเกตหน้าท้องท้องมันยุบมันพองยุบหนอคองหนอว่าไปตานั้นพวกเขาแต่ว่าการหายใจมันแถวเบาเหลือเกินแล้วอาการหายใจนี่มันทำให้เราหงุงง่ายเพราะว่าอาจารย์กรรมฐาน ต้องไ ป, ไปบอกว่าเวลานั่งทำสมาธิขาขวาทับขาขาทับขาใต้มือ ข, าขวาทับมือใต้ตั้งตัวตรงราลโลสติขยับข้หน้านั่งับตาด้วยนั่นคุณอา ญ, ญาท่ก็บอกนั่งรับตามันก็ใกล้กันลุงพ่อเทียนบอกว่ามันต้องมีแผนฟ้องกันถ้าสติเป็นลูกสาวอันแสนสวยอนิวันต่างๆห้าลายเราถือว่าเป็นชายเจกมะเหลกเราไม่ควรให้เข้าใกล้ลูกสาวของเรามันมาทีไรมันเป็นอุปสรรคมันเป็นทําำวางกันมันเป็นมาร เข้ามาทีไรมันมาทําให้เราหลับเลยหลับนี่เพล่นั่นแหละปัญญามันไม่เกิดในขณะที่หลับปัญญามันเกิดในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะดีอยู่เนี่ยไม่เชื่อมันไม่ได้ถ้านั่งแบบครูบาอาจารย์บอกว่านั่งหลับตาสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ากัน หายใจออกสั้นให้ลูกหายใจยากหายใจละเอียดให้ลูกหมดนั่ะมันหลักตาเกินมันก็มีมีโอกาสม้อยเพิ่มดูทีเราไปเห็นฝ่ายที่เขาฝืนนั่งฟังเขาไม่ฟังไม่เป็นสุดสูงสังเหมือนอย่างเราเขาฟังมาเป็นอะไรโน่นเขาเป็นอย่างนี้นะไปเห็นเขาฟังโอ้บรรลุไม่ได้ไอ้คนนี้มันจะเข้าใจได้ยังไงดูวากันนั่นแหละลู ว, ลว่าฟังเสี้ฟังคำฟั ง, ง, งอะไรก่ออะไรนี่เขาเสียเกียร์เราตัวนี้เหละ พวกเขาฝึกสมถะเทีบเท่าเพราอภัยหลวงพ่อก็เคยฝึกสมถะอย่าเข้าใจว่าหลวงพ่อนี่ไปกีตั้งแต่ เ, เขาใช้คาพูดว่าสมถะไม่ดีแย่นั้นเไม่ดีตัวหลวงพ่อเองเคยฝึกพุทนะฝึกสมถะครั้งแรกนี่ฝึกปีสองมาสีรอก้าหกว่าท่ากอนแก่นเนี่ยนํากรรมฐานมาปีแรกปีสองมาสีรอยก้าหตอนนั้นเจ้าคุณใหญ่นี่เขาเลือกเฉพาะมหาไปฝึกมาจากวัฒนหาธาถ้าใครไม่เป็นมหาเขาไม่ให้ไปฝึกหลวงพ่อก็ยังไม่ไม่ได้เป็นมหากับเขา เคยเก็ไปขอเหมือนกันไปขอใหญ่จะไปฝึกมาเองแห่งบอกว่าพวกไม่เป็นมหาต้องคอยรับเขาอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะส่งครูอาจารย์ไปฝึกมาครูอาจารย์ที่จะไปฝึกมาจากวัดมหาธาตุที่หลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่ส่งไปรุ่นจะเป็นมหาเราก็คอยรับต่อสองมาฝึกกรรมฐานมาฝึกสมาธิโดยแข็งนั่นแหละเออมีคนมาอธิบายญานสิบหกนั่นแหละเข้าเดี๋ยวนี้อยู่ยานนั่นเดี๋ยวนี้อยู่ยานรุ่นบอกไปอย่างนั้นแหละดูสิตอนนั้นอ่ะยานสิบหกอธิบายญานสิบห ่คนที่นั่งดูกันก็พลอยฟ้าพลอยฝนพอคนปลอดแจมมาบัดเครื่องดื่มไม่รูั่วมาจากที่ไหนโอ้กินไม่หวานได้ไหวท้องอิ่มแปอไปเลยเพราะคนเลือกใสโอ้ยยังมีมักยังมีผลยังมีคนเข้าชานได้หายกว่านั่นแหละเขาเขาเข้าใจว่าเข้าชานนะเราเสือว่ามีขันขันเดียวเนี่ยขันเดียวมีรูปขันโดดเฉพวนเวทนาขันมันไม่รับรูปนั่งตาแย่ก็ไม่ร้อน เอาไปลงหน้าก็เป็นรู้สึกตัวว่าหนาวดูสิเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีขออะไรให้เกมาตดใจด้านนี้คงจะไม่เหม็นหลอ ก, กพวกนั้นมันเป็นอั่งนั้นอะไรว่าต่างๆมันหมดปฏิธภาพหมดตาก็หมดปฏิธิภาพในการดูหูก็หมดปฏิธิภะในการฟังดังก็หมดปฏิธิภาพในการดมเหมือนคนตายนั่นแหละนี่เขาเรียก ว, ว่ามีขันขันเดียวฌานที่เขากําลังเข้า แต่ว่าส่วนมากบอกว่านั่งกำลังกินลงสูบผ้าบางความจริงเขาเรียกชานอนันต์ว่าสัญญาเจ้าผมเป็นสีแดงเลยมีชื่อว่ามหาสอแกมหาเราแกก็ไม่อยากจะให้เราเรียกว่ามหาอยากจะให้มันลบเงินไปท่าแกเอาอะไรมาถวายหลวงพ่อก็รู้ว่าเขาเป็นชายแต่มันโกอกโลกเฉยๆว่าแองตัวเป็นหญิงใส่เกลือส้นสูงเนี่ยหลวงพ่อก็รับเอาด้วยมือเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้หญิงหรอกรับมันด้วยมือเนี่ยก็รู้กันอยู่มันจะมัด โกหกไม่เชื่อก่าอันนี้มันเป็นนักหลัวด้วยกันเคยเห็นด้วยกันนี่มันเป็นขนาดนั้นนักปฏิบัติธรรมะในสายสมถะมันลืมตนลืมตัวแล้วไปโกหกเขาปากไม่พูดแต่ ว, ว่าโกหกในรูปแบบเมือนกัน้เราเป็นชายเราก็แจ่งตัวเป็นหญิงไปเรียนแบบมีเครื่องมีกำไลแขนมีเต้นไปหมดเพราะว่าร้านเสสวยเวลาจะมาเยี่ยบมบ้าน ก, ก็ไม่มีเวลาเพราะว่าร้านเสริฟเริ่ม้านเสริฟสวยมันไม่ว่างจะมาชิมมันเยอะแยะ รายได้มันดีมีเงินมีทองซื้อที่แถวสมุทรปาการใกล้ๆต่าฝากเจอไร้เชยแถวๆนั้นเยอะเขาเป็นมาหาด้วูสิมันขนาดนั้นนะเพื่อนของลุงพ่อเขาเป็นน้องๆนั่นเลยแต่ฝึกกรรมฐานมาด้วยกันนี่เราจรึงเห็นได้ว่าปัญญานี่มันไม่เกิดลุงพ่อเจรยมจริงบอกว่าอ๋อมันแบบศิลาทัพยาในขณะที่เราอยู่ในสมมาบัตมันก็มีความสงบสงบจริงๆเขามาด่ามาว่ามันก็ไม่สะทุ่งเส็เดื่น ก็ไม่ทําอะไรใครไม่ไปโกรธไปด่าไปว่าเขาเพราะว่ามันหลบปากโกรการกินลบปากโกรการนี่พระพุทธเจ้ก็ไม่ตระเถึง น, นะอ่าคนที่หลบปากโกรการกับกินลบปากโกรการนี่เขาเรียกกินลบปากโกรธการอยู่ในอนํานาจของชาน่ิแต่คนหลบปากโกรการนี่ถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ชอบที้น่าโยมก็อยากจะแบกกุฎพยายายไปที่อื่นหลบปากโกรการถ้าน้อนเคยหลบเมื่อกันนะั้นชาติเมืองเขาด่า อกสัวัตถุวัตถุเป็นเครื่องด่าใครแปรทั้งหมดก็คงจะเห็นนั่นด่าดาไอส้วด่าไอ้มาด่าอูดไอลาต่างๆเขาด่าเขาพูจยาอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์โกรธแื้พระองค์ทำไมเขาด่ากันทุกวันนั่นไม่ใ่เขาด่าไหมนุ๊กอานนท์เขาด่ามาเขาด่าอูด่าาต่างๆเนี่ยอ้าวเขาด่าแล้วจะทำยังไงนะต้องไปที่อื่นไปจะขาดถ้าไปที่อื่นเขาด่าเราจะทำยังไงถึงกันไปที่อื่นอีก็จะข ถ้าไปที่อื่นอีกนั่นแหละเขาด่าเราเราจะทายังไงไปที่อื่นอีกว่ย่าครัโอ้ยคนคนละโมงมันก็มีปรากฏการณ์อย่างนั้นเลยแต่คนฉลาดเขานี้การปรุงแกงเพรา ะ, ะศาสดาว่าอย่างนี้คืออยากให้คิดมันปรุงมันแกงถ้าเราอยู่ใกล้ๆกัน เ, เขาว่าอย่างเขามาเขาว่าเรามาอย่างไรเราไม่ให้ปรงไม่ให้แกงเรามีสติเป็นทางขวางกันมันไม่ปรุงมันไม่แกงเราก็เป็นอรหันอาหาราแปลว่าไกลจากเกล็นมือเอื้อมถึงกันอย่ึง่าง น, นี้ก็ยัแปลว่าไกลนะ ด้านจีต ด, ด้านใจเนี่ยยังแกวกายอย่า ก, กินเลยถ้าทำมันให้กูมาแดงนี่พระอนุนเคยเคยหลบป้ากวดการอยากแจกแบกปวดกรายา้่ามีหน้าทั้งกูไมอย่างนั้นแหลอยกไม่อยากจะช่วยมันไม่ชอบขี้หน้ามันโยมแถวนี้ว่าอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นละะนักษณะฝึกกรรมฐานมันมีหลายอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยบางอย่างก็ถ้าสงบสวยงามแต่ว่าเวลาปาระจบวันกับสังคมเขาก็บทบหน่อยอยู่ไม่ได้อยู่กับสังคมไม่ได้ เ, เห็น สมเด็จอพระสังฆราชวาดวาสโนเนี่ยเขาเขียนคํำคงที่ดีว่าพู้เอ่ยพูดาศาสนาคนรักขึ้บูชากันนาเนี่ยมากจำนวนส่วนคุณภาพแม้นไม่ไรแก่เปลือกสดใสข้างในโปรเพราะที่ทําไม่นำประพฤติมันมีแต่ผู้ปวดกันกมันม่นคํามง่ท่าเสีําสั้นดูทีมีแต่โคมใจเตี้ยโลกจากทำหน้าทำตีทายสุขล่ำมุ่งลมอบเป็นธรรมเดี๋ยว่าจิตใจมันทกนกระทบกระทั่งหรือเปล่าลน่ะ มีถ้าเป็นธรรมซ้ำดูทีมีแต่โกงเรามองเอาแต่ท่าภายนอกท่าคางค้ายนอกงามแตงเยี่ยมสงบงามถือวินัยเข่งอย่างนี้ท่าเป็นธรรมท่าเป็นธรรมซ้ำดูทีมีแต่โครงใจเจียนโล่งจากทรรมน่าคำจรินนี่ก็น่ากินเหมือนกันนั่นเขาบอกอย่างนั้นศาสนาพูดในประเทศไทยเราบอกว่าพูดเลยพูดศาสนาคนนักพิบูชากันหนาเนี่ยมากจำนวลส่วนคุณภาพแม่งไม่ได้แก่ดูสิอุปมาไม่ได้แห็นเปลือสดใสข้าในโครง เพราะทิ้งทําไม่นำประพฤติมั่นมีแต่พูดอวดกันลั่นขมงถ้าเป็นธรรมซ้ำดูดีมีแต่โกหกใจเจี ย, โ ร, ยโรกจากทำหน้าความจริงเนี่ยเราลองคิดดูสิการศึกาษาธรรมะนมี่มันมีสองอย่างถ้าการพูดพูดอย่างหนึ่งพูดธรรมะได้เหมาะเม่งพูดถูกตอ้องแต่ว่าเขาอาจจะเป็นนักพูดสกกุกปุกบัญญิตนั้น ม, ม, มีมีสองอย่างนะอยากโวติระตั้งสํานักสอน โพธิละน้อยใจที่พระศาสดาไม่เห็นคุณความดีที่แกตั้งสำแนักสอนเพื่สังคมแกมีแต่สอนมีแต่สอนแกไม่เคยปฏิบัติพระศาสดาก็อยากจะให้โพธิละงอเนื้อต่าใจเห็นกันทีไรโพธิละธรามะตานี่มาอะไรโมฆะบุรุษเวลาโพธิละกาดอยากกลับไปสำแนักของไปเห็นหรือโมฆะบุรุษเรียกโคฆะบุรุษเรียกโมฆะบุรุษจึงโพธิละเกิดน้อยเนื้อต่าใจ ต่อภายหลังมานีโพชิรอตรวจความบกพร่องของตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติพอศึกษามาเก่งแล้วก็ตั้งสํานักสอนไปเลยตอนเท่าตอนแก่เลยไปหาสํานักปฏเดือิไปหาสํานักปฏิบัติอย่างหนึน่งเข้าไปหาอก็ไปถามงง่ในในอาจารย์ลูกเมียไปถามอาจารย์เมีก็ไปบอกห่าอาจารย์นน่นอาจารย์อยู่กตินน่นไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า อนไปหาเนียนเล็กๆนอ่นก็ อ, อยากจะให้โปธิระละที่ถิมฐานานะนะบอกไปหาเนียนเล็กๆจยให้ไปฝึกก็มาทานอย่างเนีน้นานแถวหน่นเนียนเล็กๆ ก, ก็เป็นเนียนอริยะก็บอกเออถ้าตัดสินใจปฏิบัติจริงๆก็จะทำตามกฎกติกาละเอียดได้ไหมคนที่มารับนิสัยมาขอนิสัยจะต้องทำตามทุกสิ่งทุกอย่าง้าพยศ ยังไม่รละพยชศยังไม่หมดมณัตเขาจะไม่สอนกรรมฐานให้อาจารย์โกธีระ ก, ก็ทําตามเป็นคนว่า ง, ง่ายสอนง่ายทุกอย่างพ่อทำพ่อจะทําตามเมณเล็กเมนเล็กเลยบอกว่าให้ลงออลุยน้าไปดูสิแกยังจะบผัดผ้าผัดอะไรอยู่เมนบอกว่าไม่ต้องผัดผ้าลงไปแค่เข่าผามผ้ามันเสียแค่แกก็บอกว่าพอไหมเม น, ย, นยังยังไม่พอลุยไปอีกออนักเสมอเอวเรียบภาพอย่างานีท้ทอนพันอู่่ พอไย่างพอไย่างเน้นยังไม่พอลงไปอีกเราลงไปแล้วเน้นังบอกด้วยไปเสมอว่าพอแล้วเออขึ้นมานี่มนขึ้นมานี่มนขึ้นมาดูดิเน้นก็คงจะสงสารนั่นแหละบอกง่ายบอกทาอะไรก็ทำหมดก็มาปฏิบัติธรรมะอูีิคนว่าง่ายสอนง่ายถ้าคนยังว่ายากมีที่มานะเขาปรับอวัยน่าที่สุดว่ายากสอนยากที่สุอื่นห้ามให้ความสงสวรการเพื่อใจละข้อที่เาพูดทไม่ละตอบฏิบัตสังฆาธิษฐปรับอาวัติเปืนอเป็นงอันห่หนักไหมล่ ถ้ายังดื้อด้านอยู่เขาจะไม่สอนกรรมฐานให้อันนี้เหมือนกันนั่นแหละอ่ายอาจารย์ใหา่เห็นโพธิระนี่เขาเคยเป็นอาจารยม์มาเจ็ดต้อนมีที่ถีมานะมีตัวกูของกูมีอาหารการเมืองการคนที่มีอะไรดีๆนี่มันทับผ úng ข่มขีผู้อื่นมันอวดอย่างงี้ถ้าเรามาั่งมีเราก็เอาหลัทับผ úng ขมขี้อื่นไอ้ถ้าเราเป็นคนสวยคนงามเราก็เอาความสวยความงามของเราถ ú ทับส ú n มขีคนอื่นถ้าเรากินเจนเราก็เอาการกินเจนทับส úng มขี อ่าปลายไล่คนอื่นปากของเราโกงข่าวแล้วบอกว่าพวกคุณมันยังคนที่เอาชีวิตของเขามาเป็นชีวิตของตัวเองยังเป็นเปรตเป็นมารอยู่อย่างนี้เป็นต้นอาจจะไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีคำโคงเขียนเพื่อนนักป่าผู้คงแฉเรียนเอาไว้เขาเขียนว่าเป็นคู่คู่นะคู่คู่ธรรมดาคนก็มีคนคู่แหละคนมั่งคนมีคนได้ศึกษาคนไม่ได้ศึกษาอย่างนี้เป็นต้นคนนามกับคนไม่นามอย่างนี้อาหารเจอาหารเนื้ออย่างนี้มันเป็นคู่คู่ คนทุกคนจนคนมั่งมีคนร่ำรวยคนอะไรต่างๆเขาแจกมาเป็นคู่ๆเขาเขียนว่าีิเลสโคลกยกคห้างว่าอวดว่าข่าเป็นอาจารย์ผีมานะจะลังคานเปรียบเทียบมึงมึงกูมึงฉลาดกูโถอะเขามึงโง่เง่ากูแหลกรูดมึงตัวชาติน้ารวกูรวดีมีกินทํามึงเป็นศสกูเป็นสงมึงเป็นวาโสกูเป็นพระโสบายนั่นแหละมึงเป็นศสกูเป็นสงมึงคนโหลกูรู้ทัน มึงคนขาปูคนดันมึงรักรูอยากดูมึงเป็นเนยปูเป็นเศษมึงมีเวปูมีบุญมึงอยู่ป็นผูอยู่ถูนมึงกินาราคาจิเนะมึงกินหมูงูกินเจมึงตาเหรืองปูตาแล้วมึงของถูปูของแถมมึงคนาดปูคนเรียนมึงคนรู้ปูปฏิบัติมึงริญญูปริมึงเป็ครูนักเรียนมึงนายปูไม่เจ็บปูมึงมึงปูเป็นน้องเขาตามโกงพ่อขันฉันหุ่นจอดีผราชพันธุ์ไทยว่าพี่หมู่าพนธุ เข้าๆในปิดไม่เลือกเที่ยวแส้เสือภายเขาการเป็นไอ้บ้าเหาก้อนฟานเหมือนปีสาจฐานมันไปภายเขากันไอ้ฐานเขาเรียกว่าภายเขาเด็บแต่ว่าภายตู้ตานะมักชนเพราะว่าค่อย่มาเคลืนอนขดุ่ดมากว่าเพราะว่าติถ้าไปยฉันีครบค้าๆใ้ปิดไม่เลือกเที่ยวแส้เสือภายเขาการคนที่มีความรู้ก็ไปนี่ก็ถามปัญหาอาชนักถ้าเขาแจกปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ตัวเองเป็นคนจริง มีความเขื่องยกตนข่มท่านที่ต้นเสมอท่านพ่อกิเลสประเภทนี้เลยมันไม่หมดมันก็ยังเหลือเยอะแยะถ้าเราฝึกกรรมฐานนี่เราลองคิดดูสิถ้าจะกิทาคามีนี่ควจะมาจากบาลีว่าสกินแปลวาคาวเดียวถ้าใครโกรธนี่ความโกรธไม่นานรู้สึกว่าโกรธเอาสติเข้ามาประกอบเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพนาะหน้า่อ๋อเราจิบของเรามันจะเยอรูปนี่อารมณ์มันก่อตัวขึ้นมาก่อบอดเป็นปฏิกฆาฐฐหมุนยิ่งลำคาขึ้นมา ความปวดก็อ่อนตัวประบางอางการลงไปดีมันหายปวเป็นท่าสะจิทางกันมีเลยสะกินเขาเปลว่าคาำเดียวนะไมนยากเพราะว่าการฝึกเจ้าพนันการเรียนโคกงการสร้างจังหวะนี่พอให้ผูกฝังสถิตอย่าเอาไายมากนั่งคนใหม่เอาความรู้สึกอย่างเดียวแล้วก็ไปโยงเนี่ยโยกโยกอะไรเอาความรู้สึกยกมือซึ่งก็ให้รู้สึกยกมือไปเอามือมาฝรู้สึกสะสมการรู้สึกนี่แหละความรู้สึกนี้จะมาช่วยนาน เวลาเราปวดเราก็รู้สึกหน้าหน้ามันหน้ารอดจริงๆนะอาหารกัพ่อแม่หมดมันก็รู้สึกมันไม่ทิอยากกายมันยังมันอยู่กับกายมันก็เข้ารักษากายเหมือนอย่างลูกหลานเข้าบ้านคนยวอแม่มาคกรรมฐานก็บอกิบวับเออดีดูพก็นูต้องดูบ้านเจ้าของหอนะเงินของข้าวของต่างๆสิ่งที่มีค่ามีราคาทั้งหลายอย่าให้มันเสียหายด้วยน้าของกุลอาไอ้ขโมยหนัาเน่ไม่อยู่จะไปคือกรรมฐานสักสีวันห้าวันเจ็ดวัน อ่าพากันอยู่บ้านเข<ม>าไมา่ม<า>ีบ้านใครมาเอาของที่บ้านไปใช่มาหยุดยืมอะไรเขาร<า>ู้จักหมดสติมันอยู่กับกายมันกันนั่นแหละกายมันเจ็บกายมันปวดกายมันเหน็ดมันเหนื่อยมันก็แดดที่กายราาักษาก็เจ็บปวดต่างๆนี่เป็นภัยเขาแกว่าผู้มีตาที่ขู่แกว่าเห็นภัยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นภัยเห็นต่างก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นภัยเราก็มาไปเลยไม่คิดว่ามันเป็นภัยนี่เราเสียตัวตัวข้อย่างเนี่ย เมื่อคนมีทัศนินใจนิ่งๆน้อยกินเพิ่เพื่อก็ไม่เข้ยใจว่ามันรั่วมันไหลเลยไม่มีแขนป้องกันมันก็หมดเหมือนกันน้ำหยดในตุ่มยดจิ้มสิงหรือคอซึๆนี่ถ้าเราไม่ใส่ใจไปกิดไปอุดมันไล่มันก็หมดนะเขาย่งเขียนว่าหยดน้าหยดม่มากหยดน้อยๆหยดบ่อยๆน้าจะหมดไล่แค่จุดแม่จุดนอนจิดบ่อยๆก็เสื่อมบุนขถึงที่น้อยทาบ่อยๆก็ตายจุดินเจ็บนเ็ย่น้อยเจ็บ่อค่อย เหมือนสักสีที่แต่งหน้าจริงๆ่อยๆก็ใช่จะรู้ว่ามันมีค่าของหน้าตาอะไรอยมันเป็นไปได้ที่เป็นน้าสีที่เรามองผ่านเรียกว่าอชอบมองผ่ามการดื่มที่บอกก็จะไปมองข้ามให้ทคำสีๆเอาไว้ให้เอาสติมาประกอบก่อนเนาะเห็นเห็นแต่แค่โอทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละในเมื่อความเจ็บปวยมาครอบง่จริงๆเราต้องเกลียดให้มันทุกมันขอร้องมันซึ่งพาอาศัยเรา มันส่งสัญญาณภัยเพลียนบอกถ้าเราไม่เชื่อมันเราจะมีส่วนหน่งเสียได้เสียเสียจริงเราไปดูคนป่วยยังไงคนป่วยนอนอยู่ท่าเดียวไม่มีลูกไม่มีหลายมาถ้าดูให้ลุกนั่งลุกอะไรเสียดีบอกนี่ทายของเขาไม่เสียน่าเสยผู้คลองเป็นหนองเยื่อไปเลยดูที่เขานอนถ้าเดียวหน้าหน้าของคนหนักนอนเหื่อยมันพับเส้นซึ่งทางเรื่องของเดือดเรืองไม่เดือดมันก็เน่าเท่าไหร่ เ, เราทีงมาดเอายางละนี่มาดูเป็นไงเอายางมาละทำหมาทำแลวมาขาดไปมั้งกนอันนี้นนนนนนมั น, น, มามานเป็นยังหยิบพูดมาอันนี่จะถึง6โมงเหลืออีก4้นาทีการพูดเป็นวนธีการบรญยัติธรรมะก็ เ, เรียกว่าพูดให้เกี่ยวกับสติแต่ว่าโยมไปหาการแค่สตินอนโยมอาจจะงงแต่ว่าถึงว่ามันเคยคนใหม่หน้าที่ของของคนใหม่น่าควรจะเถึงตอนนัควรจะจดความรู้สึกทำอะไร มันจะไม่หยุใจดังนั้นโอกาสแห่งการมาลุกขัโภชิตของเราผู้ใฝ่ทางการทีกทุกท่านนั้นัยู่